สวัสดีครับท่านผู้ฟังกระผมธนแพทย์นัทพงศ์กนกวิรุณดาเนินรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์เผยแพร่ทาง w w w บไ e o a m a dot com วันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไพบูลอภิปุนโนแห่งวัดป่าดอนไหายโศกจังหวัดกุฎดอนธานีกราบน้มัสการท่านครับเจริญพรทาง uh, podcast ออนไลน์ที่เรากําลังทําอยู่นี้ก็คือเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิด แล้วก็มีผู้ดำเนินการก็คือมีหมอนัตพงศ์ด้วยแล้วก็มีธมรรมะพระไพบูรณ์เราก็จะพยายามที่จะเอาธรรมะต่างๆมาขุดคุยนะพยายามใช้หลักของพุทธวจนะนี่แหละในการที่จะเปิดเผยธรรมะต่างๆาหมอนัตพงศ์เรื่องที่เรายังติดค้างกันอยู่ในการพูดคุยจากสัปดาห์ที่แล้วมีจากตอนที่แล้วตอนที่เป็นอเอพิโซดที่5ถูกไหมเป็นตอนที่ห้าใช่อเราได้แจกแจงกันถึงอริยมรตมีโอ ไปสามมรรคแล้วก็คือสมาธิฏิสัมมาสังกัมปะสัมมาวจานะครับจบไปเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ขออนุญาตขึ้นเป็นสัมมากรรมตะนะครับอสัมมากรรมตะต้องเน้นย้ํากับท่านผู้ฟังออนไลน์นิดหนึ่งว่ารเรื่องของมรรคเนี่ยมันคือต้องรวมกันหมดนะคืออันใดอันหนึ่งเราหยิบอันใดอันหนึ่งขึ้นมาก็ชื่อว่าทุกอันเนี่ยมาพร้อมกันนะเพราะนั้น ในการที่เรากําลังอธิบายเนี่ยบางทีใช้เวลาคาบเกี่ยวหลายตอนหลายอพิโูจน์ก็ให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมาด้วยกันทําไปพร้อมๆกันได้ในวันนี้ก็จะใช้เวลาตรงนี้อธิบายเรื่องของอสัมมากรัรมมันต์กใช่ไหมหมอรัตพงศ์สัมมากัมมันต์ครับสัมมากัมมันตาครับสัมมากัมมันต์ตจริงๆง่ายมากก็คือแค่การทําความประพฤติ ช, ชอบเนื้อความประพฤติ ช, ชอบเนี่ยพระพุทธเจ้าแยกเอาไว้เป็น3อย่าง ก็คือเรื่องการไม่ผิดศีลในทางไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรแล้วก็แค่อไม่ฆ่าสัตว์3อย่างนะไม่ฆ่าสัตว์ข้อแรกใช่ไหมครับใช่ใข้อแรกที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําทางกายการกระทําทางกายเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นสัมมากัมมันต์ตัดทีนี้ประเด็นหนึ่งที่ อาจจะมีคําถามกันคือว่าเอ๊ะทำไมในสัมมารกรรมันต์เนี่ยไม่มีข้อห้ามดื่มสุราค่นะอาตมาก็เคยสงสัยสมัยก่อนที่กําลังศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่ทําไมในสัมมารกรรมันต์ไม่มีข้อดื่มสุรานะอันนี้ในเรื่องของสัมมาวาจาเมื่อที่เราได้พูดกันไปในอพยพที่ผ่านมาในตอนที่ผ่านมานะเราพูดถึงการดื่มสุราว่าถ้าคนดื่มสุราและประมาทเนี่ย ก็หมายความว่าเขาจะผิดมิจฉาวาจาสามข้อหลังใช่ครับือเรื่องความสอดเสียเรื่องของการพูดยุบยงให้แต่กันอ๋อนิดหนึ่งคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจามาใช้คําว่าพูดใช้คําว่าพูดสอดเสียเนี่ยภาษาอีสานเนี่ยใช้ภาษาอีสานเขาใช้คําว่าพูดสับสอนพูดสับสออ่าพูดสับสอภาษาอีสานแปลว่าพูดสอดเสียทีนี้คนที่พูดสับสอพูดเพอเจอพูดคำหยาบเนี่ย มักจะอยู่ในวงเล่าคนที่ประมาทแล้วดื่มเหล้าประมาทแล้วเนี่ยก็จะพูดวาจาแบบนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเจาะจงที่เอาเอาข้อน้ําเมาในออกซะแล้วก็ใส่เรื่องของสัมมาวาจาอีกสามข้อเข้าไปแทนเพราะฉะนั้นในองค์ของมัชทั้ง8ดเนี่ยมีเรื่องสัมมาวาจาอยู่ครบถ้วนแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมมารกรรมต่างเนี่ยจึงไม่มีข้อดื่มจุราอ๋อครั บ, ค, รบความแยง ใช่ความคมชัดของพระองค์ก็จะมีในลักษณะนี้แล้วก็สัมมาการมันต์เนี่ยบางท่านก็ยังจะรวมถึงการที่หน้าที่ของเรานะในด้านต่างๆคือคนเราเป็นค า, ารวาสก็ตามเป็นพระสงฆ์อยู่ในอาชีพไหนๆก็แล้วแต่เถอะคุณก็ต้องอมีการเกี่ยวข้องกับด้วยบุคคลถูกไห ม, มเป็นการเกี่ยวข้องกับด้วยบุคคลในด้านมุมมองต่างๆเนี่ย อาจจะเป็นในลักษณะไหนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยได้สอนไวน้ในเรื่องของทิฏทั้ง6ด้วยเหมือนกันในเรื่องของสัมมากัมมันตะทีนี้เมื่ออย่างไรก็ตามเรื่องของสัมมากัมมันตะเนี่ยจะไม่ได้รวมทิฏทั้ง6อยู่ไม่ได้รวมอยู่ในหมวดธรรมแต่ท่านพุทธทาสเนี่ยตอนที่ได้รวบรวมหนังสือชุดจักรพระโอธ5เล่นเนี่ยก็ได้รวบรวมเรื่องสัมมากัมมันตะเนี่ยเอามาไว้อยู่ในหมวดของอเอาเรื่องของทิฏทั้ง6 มารงไว้อยู่ในเรื่องของสัมมากรรมันตะด้วยก็คือการประพฤติตนที่ชอบท่านท่านผู้ที่เคยให้ความเห็นว่าทำไมเรื่องของสัมมากรรมันต์สัมมาวาจาสัมมาอาชีวะเนี่ยมันน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับองค์ของมรรคอื่นอืถ้าท่านที่ฟังรายการพระออนไลน์อยู่เนี่ยมีความเห็นว่าอย่างไรให้ส่งมาแต่เพราะว่าอาจามาคิดว่าคนที่มาฟังออนไลน์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นนักศึกษานี่ก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทแล้วนะ ใช่ครับประเภทเจาะลึกนะครับประเภทเจาะลึกแล้วก็ตามติดตามฟังต้องดาวน์โหลดต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่นอกเหนือมากกว่าคนธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าคุณฟังมีข้อคิดมีคําถามมีแง่มุมอะไรเนี่ยให้ส่งข้อมูลนี้มาเพราะว่าเราจะได้เป็นพุทธบริษัทที่เลิกกันได้ใช่ครับครับเราจะได้รำข้อแนะนําแล้วก็คําถามมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทําให้แตกฉานมากขึ้นนะครับใช่ อ่าแล้วก็ใ น, ในประเด็นตรงนี้ก็เลยต้องฝากท่านผู้ฟังไว้นะในเรื่องของสัมากา ร, รมติว่าทําไมเนื้อหาของสัมากา ร, รมติสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับมรรคอื่นๆแล้วเนี่ยถึงได้น้อยนะักอืนะฝ า, ากเอาไว้แล้วมีความเห็นอย่างไรก็ส่งก็มากันบอนนททโฮมปีประเด็นอะไรต่อไปอีกจากเรื่องนี้ก็มีจริงๆก็คืออย่างที่ที่เคยศึกษามาก็คือเป็นเรื่องของศีลสามข้อแรกซึ่งจริงๆก็คือ เป็นขั้นพื้นฐานสิ่งก็คือความไม่เบียดเบียนกันนะครับความเป็นปกติในการดำเชีวิตทั้งคารวะและก็อภิสุ์ก็ก็จริงๆก็เหมือนกับว่า ม, มันก็คือคือความปกตินี่แหละก็คือตัวครับทีนี้ตรงตรงนี้จะผ่านไปได้ไหมครับท่าน เ, เรื่องของการสมรกรรมศาสตร์เนี่ยครับผมถามว่ามันไปเกี่ยวข้องกับมรรคองอืออย่างไร ก็จะอธิบายให้ตามฟังตรงนี้เลยว่าความรู้ที่เธอมารู้ว่าอันนี้คือมิจฉากรรมมันตะกันนี้คือสัมมากกรรมมันต์เนี่ยความรู้เนี่ยคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิตรงนี้เกิดขึ้นแล้วนะถ้าเธอรู้ว่าอันไหนดีอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทําแล้วก็ความเพียรที่เธอเอามาตั้งไว้ในการทําสัมมากรรมมันตะให้ถึงพร้อมในการละมิจฉากรรมมันต์ความเพียร น, นั้นเนี่ยก็คือสัมมาวายามะคือความยชอบ ชอบใช่นะส่วนสตินะในการที่เราจะอาจจะฆ่าสัตว์โอ๊ยไม่ฆ่ามีสติระลึกไว้อาจจะลักสัตว์โอ๊ยไม่ลักก็มีสติระลึกไว้สติอย่างนี้ เ, เป็นสมาสตินะอ<า>่ะอ่าแล้วก็ความอ่อาสอย่างนะคือเรื่องของสมาทิฏิสมัสามมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาวายมะ แล้วก็สัมมาสติใช่สามอย่างเนี่ยอ่อสีสอย่างทั้งหมดสี่อย่างเนี่ยจะมาพร้อมในเรื่องของสัมมากัมมันตะอ่ะอืมอ่ะเพราะถ้าคุณทําสัมมากัมมันตะอย่างเดียวสัมมาวาจาอย่างเดียวเนี่ยได้ถึงสี่อย่างพร้อมกันเลยนะอ่ะเรียกว่ามัคองค์อื่นก็เจริญขึ้นพร้อมๆกันนะครับก็คือมัคอีกสี่องค์ที่เหลือก็จะเจริญขึ้นไปพร้อมๆกันนะก็ยังจะขาดเรื่องของดำริชอบเรื่องของ สมาที่ชอบเรื่องของ อ, อย่างนี้อยู่อ่ะ น, นี้ก็คือเรื่องของสมารกรรมาตาละละคิดว่ากมา็มีเท่านี้ไม่มีเท่านี้อือ่ะย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ต่อมั่คงต่อไปก็คือสัมมาอาชีวะนะครับสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบใ ช, ใช่ไครั บ, รบการเลี้ยงชีพชอบในบทเพลญชนะที่เกี่ยวกั บ, บสัมมาอาชีวะในเรื่องของมัแเบนบี่ยบอกแค่นี้เองบอกว่า ออพระอญญายะสาวกองคไหนละการเลี้ยงชีพที่ผิดแล้วก็มาทำการเลี้ยงชีพที่ชอบอันนี้เรียกการเลี้ยงชีพที่ชอบอาตมาตอนแรกนะ่าสงสัยมากเลยเอาแล้วการเลี้ยงชีพที่ผิดนี่คืออะไรแล้วเข้ามาสําเร็จความเป็นอยู่อย่างการเลี้ยงชีพที่ชอบเนี่ยมันเป็นยังไงนะผู้เชี่พูดไว้สั้นมากแค่ประมาณแค่สองบรรทัดเท่านั้นเองอืมครับคือในหมวดของสมาชิว่านี่นะพูด2อบรรทัดใช่พูดแค่นี้เอง แล้วไม่ได้อธิบายว่าอะไรมีอะไรอะไรต่างๆยังไงยังไงบ้างอย่างงี้นะทีนี้มีมีหมวดที่บอกอาชีพซึ่งไม่ควรกระทำคือจะอยู่ในสัมมาอาชีวะด้วยใช่ไหมครับเช่นฆ่าสัตว์นะขายาพิษค้านําค้ามนุษย์อะไรอย่างเี้ใช่ไหมครับใช่ตรงนั้นเนี่ยคือเป็นอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงพระาชาใช้คำนี้อออาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงครับก็เพราะฉะนั้นถ้าเกื่ว่าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเพราะฉั้นคง เพราองค์เองเนี่ยก็จะพูดไว้ที่นู่นที่นี่บ้างอย่างเงี้ยนะก็อย่างที่หมอรัตพงศ์เก็บประเด็นนี้ได้ว่าหัวอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงห้าอย่างก็มีเรื่องของการค้าน้ําเมาใช่ไหมการใช้ยาพิษการค้ามนุษย์การค้าอาวุธอ่นนี้นะเป็นอาชีพที่ไม่ควรทำและอีกอันเนี้ครับอห้าอย่างน้ําเมายาพิษยาพิษอาวุธค้ามนุษย์อืมีห้า อีนนึ่อะไรนะครับท่านคืออันนี้ท่านท่านตรามันละสีอันนี้พ <fur th. S 2> ระพุทธเจ้าพูดไว้ในเรื่องของบทเพียรชนะนะคือการค้ <â> าขาย5้าอย่างที่ไม่ควรทํานะ <Economic S 2> <â> าอาชีพที่ชาวพุทธคือพูดถึงการค้าขายเท่า น, นั้นเองอย่างแรกคือการค้าขายอาวุธอย่างที่ 3, <â> 3คือการค้าขายเนื้อสัตว์อย่างที่3าค <â> ือการค้าขายตัวสัตว์อนะย่างที่4คือการค้าขายน้ําเมาอย่างที่5คือการค้าขายยาพิษนะอาชีพที่ชาวพุทธเนี่ย ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรทำเพราะที่เราใช้คํานี้คือการค้าขายว่างั้นเถอะไม่ใช่อาชีพคือคือการค้าขายถ้ามีการค้าขายเนื้อสัตว์ค้าขายน้ําเมันค้าขายอาวุธค้าขายยาพิษค้าขายตัวสัตว์เนี่ยไม่ควรทํำเพราะว่าเป็นไปเพื่ความเบียนเบียนอาจจะมีคนตั้งคําถามนะเริ่มตั้งคำถามว่าเอ้งี้จะไปซื้อเนื้อไก่ได้ไงซื้อเนื้อหมูมาทำกับข้าวได้ไงก็เป็นอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงว่างั้นเถอะ ไม่ใช่ว่าห้ามเลยอือครับคือถ้าถ้ามีงานอะไรพวกการที่จะหลีกเี่ยงจากอาชีพเราทอนความเป็นอกุศลอย่างนี้ไหมครับท่านเป็นมุมมองอย่างนี้ได้ไหมครับเอ่อใช่เพราะว่าเวลาที่ทำอาชีพพวกนี้มากๆก็จะมีการเบียดเบียนนะครับครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ก็ดีครับครับเช่นถ้าสมมุติค่าสัตว์บ่อยอย่างเงี้ยพระพุทธองค์ก็บอกว่าการค่าสัตว์บ่อยจะจะก่อให้เกิดอันนี้ เกิดผลอะไรบ้างครับท่านข้าศัตว์ไว้ข้าศัตร์มากๆถ้าทําอยู่เป็นประจำนะก็จะเป็นไปเพื่อนรกกาเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแล้วก็ถ้าทําแล้วทําอยู่เป็นประจํานี่แหละแล้วก็แต่ถ้าไม่ได้ไปนรกกาเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเนี่ยจะมีผลในพบปัจจุบันก็จะทําให้เป็นคนที่มีอายุสั้นในการค้าขายเพราะฉะนั้นการค้าขายเนี่ยมันต้องทําอยู่ทุกวันเป็นประจํานะเช้าบางวันเย็น เมื่อพรเจ้าจึงแนะนําให้หลีกเลี่ยงนะไม่ได้ทําเป็นประจําครับเพราะฉะนั้นอาชีพห้าอย่างนี่แหละการค้าขายห้าอย่างนะที่ควรหลีกเลี่ยงใช้ปบทเพลงชนะอย่างนี้ส่วนอีกนัยยะหนึ่งก็คือพูดถึงเรื่องของมิจฉาอาชีวะพระเมมา เ, เคยตรัสเรื่องของมิจฉาอาชีวะที่เกี่ยวข้องกันบอกว่าการกระทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ที่มีเกี่ยวข้องกับอ า, อาชีพนะอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการโกหกนะการพูดหวานล้อมจนต้องยอมตกลงนะหรือว่าการาการพูดหวานล้อมจนต้องยอมตกลงการพูดต่อการล่อลาำด้วยลาบนะการพูดหลอกลวงการพูดโกหกพวกเนี้ยเป็นมิจฉาอาชีวะสมมติเราเห็นนักขาย ขายรถยนต์อ้าคุณเป็นนะักขายรถยนต์นะแล้วก็แต่คุณล่อราบด้วยราบพูดท้ายให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงถ้ามีการกระทาอย่างนี้นะการค้าขายของคุณในครั้งนั้นเนี่ยอาชีพของคุณณนะเวลานั้นเนี่ยเป็นมิจฉาอาชีวะทันทีอาชีวะครับครั บ, รบเพราะฉะนั้นก็แค่ว่าทําให้ถูกต้องตามหลักของธรรมะในหมดอื่นๆคือไม่พูดโกโหกไม่ต่อราบด้วยราบไม่เอาขอมีค่าน้อยต่อขอมีค่ามากอย่างนี้นะครับก็ถือว่าอาทำอาชีพอะไรก็ได้ ก็ก็ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระรูชาจึงเปิดกว้างเอาไว้ว่างนั้นเถอะอ๋อครับครับจริงๆข้อนี้มิฉาอาชีวะข้อนี้ก็ไปเชื่อมโยงกับตัวมิจฉาวาจานะครับท่านใช่ครับครับก็เหมือนกับเออเชื่อมโยงกันต่อเนื่องกันครับก็จะมีการเพิ่มเติมข้นมาคือตรงการล่อราดด้วยราดตรงนี้ท่านเองครับใร่ใช่ครับครับท่านมีมุมอื่นของสมาธิว่าที่พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ไหมครับ ท่านพุทธาจะเอาเรื่องของทิศ ท, ทั้งหมารวมในหมวดของสมาอาชีวะด้วยวอ๋อทิศหกทิศทั้งหนี่ก็คือว่าหน้าที่ที่เราต้องทอําต้องกระทําร่วมกันกับบุคคลเหล่าอื่นอย่างเงี้ยนะคือทัศเบื้องหน้าเนี่ยคือมารดาบิดาทิศเบื้องขวาก็คือครูอาจารย์นะทิศเบื้องซ้ายก็คือมีสายทิศเบื้องหลังคือบิดพระยาัเบื้องบนเนี่ยคือ สมณพาหนะที่เบื้องล่าง น, นี่เป็นทา่าทกรรมกรผู้รับใช้ครับแล้วก็พอพูดถึงเรื่องที่ตั้งหกซึ่งอาตมาคิดว่าในความเห็นส่วนตัวนั้นน่าจะไปอยู่ในหมวดของสมากรรมมันต์ามากกว่าคือการกระทําที่ที่ถูกต้องเรื่องของที่ตั้งหกยังไงก็ตามเรื่องที่ตั้งหกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรกระทําหละครับครับครับกับบุคคลที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมด ใช่ครับก็คือในในชีวิตประจำวันของคนเราอ่ะมันก็เกี่ยวข้องกับบุคคลแค่6แบบนี้เท่านั้นเองนะเนาะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนันหน้าที่ระบบของที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับเขาก็จะอยู่ในเรื่องของตรงนี้ครับในเรื่องของสัมมาอาชีวะเนี่ยที่ท่านพุทธทาสเอาเรื่องของทิศทั้งหมารวมไว้ด้วยคือคําว่าอาชีวะเนี่ยแปลว่าการดํารงชีพชอบ กา<ม>รีชีวิตเพื่อนก็คิดว่าก็ได้อยู่เป็นการคือการดํารงตนอยู่ในสังคมอย่างไรท่านก็เลยเอาเรื่องทีง่ที่หกมาถ้าจะให้ดีร เ, รเราควรจะต้องมาพูดลงรายละเอียดที่หนึ่งเกี่ยวกับทีบ่ที่หกนั่นก็คือว่าเรื่องของเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเลยอยู่กับเพื่อนมากๆคนเวลาที่อยู่กับเพื่อนเนี่ยต้องมีหน้าที่ยังไงนะเวลาเพื่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่ามิตรสหาย เราพวรต้องทำหน้าที่กับเขาเนี่ยคือด้วยการให้ปันมีอะไรก็แบ่งปันไปไปต่างประเทศมาก็ซื้อ น, น, าานี่มาฝากแล่นมาฝากงนี้นะนี่อันที่หนอันที่2ก็คือด้วยการพูดจาไพเราะปิยวาจาอางน้จาใช่ครับพูดจาดีกันไม่ว่ากันไม่ด่ากันมีอะไรก็แบ่งปันกันอีกสองอย่างแรกอันที่สมเนี่ยด้วยการประพฤติประโยชน์การประพฤติประโยชน์ก็คือกา ร, รทรําประโยชน์ให้แก่กันและกันนะ มีการช่วยเหลือกันในระดับนี้อันที่สี่ก็คือวางตนเสมอกันครับนะวางตนเสมอกันเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าแต่งตัวก็ไปในพอๆกันวางตนเสมอกันในเรื่องของการทํากิจอะไรต่างๆมีการช่วยเหลือกันลนักษณะนี้นะแล้วก็อันที่ห้านี่ก็คือด้วยการไม่กล่าวคําอันเป็นเครื่องให้แตกกันครับกล่าวคําอันเป็นเครื่องให้แตกกันก็คือ วาจาสับสนนั่นเองวาจะส่อเสียดอะไรที่พูดไปแล้วเนี่ยเขาจะกระเทือนใจเขาจะไม่ชอบเราเนี่ยเราก็อย่าพูดข้อธรรมอันนี้คล้ายคล้ายหมดคํามันนี้คล้คล้ายกับสังขารหาวัตถุสี่ไหมครับท่านคล้ายๆเลยนะครับใช่สังขารวัตถุสี่ปิดรับยับอัดหาจ สุริยาสมานัตตาใช่ใช่ถูกต้องการสงเคราะห์กันสี่อย่างครับครับนั้นในเรื่องของสังขาวัตถุสี่เนี่ยที่มาระพงชี้ประเด็นนี้มานี่ถูกต้องเลยก็คือคว่าสงเคราะห์เพื่อนด้วยสี่อย่างนี้ ค, คิดดูนะถ้าถ้าสมมุติว่าเพื่อนเราเนี่ยเขาเขาอยู่กับเราเนี่ยก็าพากบบับเราเนี่ย อบางทีเขาก็ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้อะไรอ่ะอาจจะไม่เคยฟังพุทธวัจรณะไม่เคยเข้าวัดไม่เคยอะไรอย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังควรสงเคราะห์กันด้วยผู้จาดีๆให้กันเอาของมาแบ่งปันกันอย่างเงี้ยพระรูชาวก็เลยแนะนำนี้เป็นทานและอิยาวาจาใช่แล้วก็เพิ่มเรื่องของไม่กล่าววาจาอันทำให้แตกกันเข้าไปนั่ก็จะเป็นหน้าที่ที่เพื่อนเนี่ยต้องมีต่อกัน สมมุติว่าหมอรัตรพงศ์มีเพื่อนคนหนึ่งนะทําหน้าที่อย่างนี้กับเราเลยเราเนี่ยควรจะต้องตอบแทนเขาด้วยห้าอย่างนี้เหมือนกันนะก็คือว่าคนาที่ทํากับเราอย่างนี้เนี่ยสงเคราะห์ด้วยสังขาวัตถุซีแล้วก็ไม่พูดจาให้แตกกันเนี่ยเราควรจะต้องสงเคราะห์เขากลับแต่ด้วยห้าอย่างนี้ก็คือว่าเออเวลาเขาประมาทเนี่ยเราต้องช่วยกันดูแลเขารักษาเขา่าชารักษามิตรผู้ประมาทแล้วอันที่สองแล้วก็รักษาทรัพย์ของมิตร ผู้ประมาทแล้วอันที่สามก็คือเป็นที่พึ่งแก่มิตรเมื่อมีภัยอันที่สีก็คือไม่ทอดทิ้งไม่ทอดทิ้งยามมีอันตรายเวลาที่เขามีอันตรายมีที่มีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยตบตุ้กได้ยาใช่ใชแล้วก็อันที่ห้านี่ก็นับถือสมาชิกในวงของมิตรก็คือ พ่อเขาแม่เขาพี่น้องภรรยาญาติลูกอะไรต่างแล้วก็นับถือกันนะเหมือนกับญาติ <ทะ S 1> เขาญาติกันอย่างนี้<ท>ะจะเป็นการตอบแทนที่ดีนะใครก็ตามเนี่ยที่มีความสัมพันธ์กันในระดับนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้เรา5ห้อย่างนี้เราทําตอบเขา5อย่างนี้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าทิศนั้นเนี่ยบุคคล น, นั้นเนี่ยเราปิดกันแล้วเป็นที่ที่ไม่มีภัยเพื่อนคนนี้เป็นเพนื่อนดีแน่นอนไม่ใช่เพื่อนที่จะมาก่อภัยก่อเวรให้เราได้นะเพราะฉะนั้น <ทะ S 2> เราควรจะหาเพื่อนแบบนี้ะให้มากมากคับหายากนะครับท่านในปัจจุบันก็ู่อหาได้อยู่นะคนที่ไม่เป็นอย่างนี้เราก็ใช้เวลากับเขาน้อยหน่อยคนที่เป็นอย่างนี้เราก็ใช้เวลากับเขามากหน่อยอย่างน้อยพระเจ้าประสงค์เนี่ยก็เป็นมิตรที่ดีได้อ๋อใช่ครับครับเราเราเชื่อมโยงถึงคําว่าการยาณมิิษนะครับท่านการยาณมบิษก็จะเป็นมิตรดี เพื่อนที่ดีงามนะเป็นมิตรที่ดีงามบุรีชาก็เคยพูดถึงลักษณะของมิตรที่ดีงามไว้โอ้อยู่หลายอย่างมากซึ่งตรงนี้ต้องใช้เวลาพูดเป็นเป็นครึ่งชั่วโ ม, มเงเลยแต่ว่าเาเรื่องของมิตรนะคุณสมบัติหกอย่างแต่และอย่างเป็นยังไงมิตรแบบนี้จะแก้ยังไงโอ้โหบรีชาตพูดละเอียดมากดูลักษณะของมิตรที่ดีมิตรที่ชั่วดูยังไงสี่อย่างอย่างละสี่แบบเป็นอย่างไรแตกรูปไปได้อีกมากเลยตรงนี้ครับ อันนี้เดี๋ยวไว้โอกาสต่อไปดีไหมครับในเ่องของตะไยานันบีอันนี้เดี๋ยวเราก็จะค่อยเอามานําเสนอในอีพิโซดต่อๆไปเนาะของเพียวธรรมะเพาะออนไลน์เท่านั้นเองมีเวลามากเนาะในอีกหรืออีกประมาณสิบนาทีสุดท้ายของการเปิดธรรมตรงนี้่คิดว่าก็เอาคําถามที่มีในช่วงสตาร์ทอีวันมาแล้วมาคุยกันก่อนก็ได้เรื่องของสัมมาอาชีวะก็คิดว่ามีเท่านี้แหละเรื่องของสัมมาอาชีวะ ทีนี้มีคำถามครับท่านาในจากคุณมณีเนตรนะครับซึ่งได้ศึกษาพุทธวจนะแล้วก็บอกว่ามีคำถามว่าคำที่ว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้ระงับอยู่หมายความว่าอย่างไบนะครับคือคําว่าระงับอยู่ท่านช่วยแจกแจงได้ไหมครับเ อ, อคําว่าระงับก็คือว่าให้มันสงบระงับไปนะต้องลอไล่พิธีคํามเลย กายสังขารคืออะไรพระเจ้าบอกกายคือลมหายใจเนีเ่นสังขารคือการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นคุณทำการปรุงแต่งของลมหายใจให้ระงับไปหมายความว่าอะไรทําการปรุงแต่งลมหายใจให้ระงับลงก็คือให้มันเบาล ง, งานั่นเองนะให้มีการปรุงแต่งลมหายใจเนี่ยค่อยๆเบาลงเบาลงระงับลงระงับลงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ทําการกายสังขารการปรุงแต่งทางกายให้ระงับก็คือการทํา ลมหายใจเนี่ยให้เบาลงเห็นอยู่เล็กนิดเดียวฟังกันเถอะเวลาเราสังเกตลมหายใจอยู่ในโพรงจมูกเนี่ยถ้าเราสังเกตแล้วเนี่ยนะแล้วจุดที่สังเกตเนี่ยมันเล็กลงเห็นลมเบาลงน้อยลงเนี่ยอันเนี้ยชื่อว่าทําการปรุงแต่งทางกายให้ระงรับละ อ, อันนี้ก็เป็นนัยยะที่1นหนนะหรือนัยยะที่2ก็คือตัวเราเนี่ยร่างกายนี่แหละไหนะไม่พลิกมากไม่กระดุกกระดิกไม่ เ, เดี๋ยวคันตรงนู้นคันตรงนี้นี่การประงแต่ ง, ตงกายอย่างน<ช>ีก็ไกายตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าพูดถึงลมก็ได้นะกายหนึ่งในกายทั้งหลายกายที่เป็นดินบกายที่เป็นดินก็มีนะแขนขานี่เป็นดินหมดเพราะฉะนั้นการประงแต่งทางดินตรงนี้เราก็ไม่กาวไม่ขยับไม่อะไรองี้ก็เรียกว่ากายระงับได้เหมือนกันตรงนี้ก็จะมีสองสามนัยยะนั่นแหละทีนี้เราก็เอานัยยะที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ก็แล้วกันคือเรื่องของลมหายใจก็ได้ครับ นี่ถามว่าพอการทํากายให้ระ ง, งับแล้วเนี่ยอืเป็นยังไงมีอีกที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่ากายระ ง, งับไว้ในในเรื่องของการเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าในในหนังสืออริยศาสตรจากพระโอษภาคต้นก็มีอยู่หน้านทีประมาณหกร้อยพระพุทธเจ้าพูดถึงการเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าว่าพระอริยเจ้าเนี่ยมีการเป็นอยู่ทั้งหมดสิบอย่างหนึ่งในอย่างนั้นเนี่ยคือเป็นผู้มีกายระ ง, งับ แล้วอธิบาย อ, อาการของผู้มีกายระงับเนี่ยว่าเป็นผู้มีชั้นสี่ชั้ชน4ี่อ๋ชั้นสถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้ามีชั้นสี่แล้วเนี่ยโดยบทเพญชนะนะที่พูถึงกายระงับเนี่ยก็คือการอยู่ในชนั้น4ี่ากันเถอะทีนี้ที่ชั้นสี่ก็คือจริงๆผู้ที่เจ้าอยู่ชั้น4ี่คือจัจะไม่รู้ภาษาศาสร์ภาศาสตร์คือไม่รู้จับไม่ไม่รู้ว่ามีลมเข้าออกจับความรู้สึกไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่จับความรู้สึกไม่ได้จะเบาลงมากๆ เอาเาลงหน้าจะเหลืออยู่แต่สติอย่างเดียวลมหายใจนี่แทบจะดับไปเลยแต่เบามากเรียกว่าแทบจะดับไปเลยอะอียลมละเอียดใช่ใ่่ยมถึงเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ดูแหลายแง่มุมว่าหนึ่งกายคือลมเพราะฉะนั้นกายสงบระงับก็คือลมเบาลงอันนี้ได้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองนะบทเพียรชนะพูดถึงเรื่องการเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้า เคยพูดว่ากายระงับเนี่ยคือชา้นสี่อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันและซึ่งก็จะสอดคล้องกันเพราะว่าชา้นที่สี่เนี่ยอาศ ะ, ะสะภัสสะสะเนี่ยจะเบาบางลงดับลงไปเลยอย่างนี้ครับอแล้วมีคําถามที่สองครับท่านว่าเราเป็นผู้ตามเหตุซึ่งความสลัดคืนนะครับความสลัดคืนหมายความว่ายอย่างไรครับความสลัดคืนก็คือ ค, ค, ความปลาอยวางนั่นแหละครับอ่าตรงเนี้ย คำว่าสลัดคืนตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าวดสักขะนะสลัดคืนวดสักขะวดสักขะอ๋อวดสักขะครับคือการสลัดคืนก็หมายความว่าปล่อยวางนะการสลัดคืนการปล่อยวางเนี่ยคุณอาศัยเหตุอะไรอาศัยผลมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุของการปล่อยวางแลพระพุทธเจ้าไปพูดถึงเรื่องการที่โพชงเนี่ยการเจริญโพชงที่เป็นไปเพื่อวีมุตเนี่ย โรคเคยตัดว่ามีความวิเวกมีความวิราคะมีนิโรธอันน้อมไปเพื่อโภสะะถ้าเรามีวิเวกวิเวกคือความที่ไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนใช่ไหมมีวิราคะคือความจางคลายมีนิโรธคือความดับมีมีความวิเวกมีความจางคลายมีความดับทำางมอย่างนี้มากๆจะเห็นโภสะทะคือความปล่อยวางได้ความสลัดคืนได้ เพราะว่าถ้าเห็นสามอย่างแรกเนี่ยคือวิเวกวิราคะนิโรธเห็นความวิเวกเห็นความจางคายเห็นความดับเห็นความวิเวกเห็นความจางคายเห็นความดับอันนี้เป็นคนมีปัญญาแล้วนะเหนตามที่เป็นจริงแล้วไม่สามารถที่กะจี๋ไหมครับท่านที่เห็นความเกิดดับใช่เห็นความความจางคายความดับใช่เหยกกันใช่ไหมครับถูกต้องก็พอเห็นความดับเห็นความจางแคลายความดับเห็นบ่อยๆเนี่ยคุณมีปัญญาเกิดเรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริง คนเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยก็จะปล่อยวางได้สลัดคืนได้ไม่เอาแล้วอย่างนี้ได้<ะ>ครับความสลันก็ชัดเจนนะครับท่านท่านผู้ฟังนะชัดเจนก็มีสองคำถามจากคุณมณีเน่นะครับทีนี้ว่าวันนี้คิดว่าในเรื่องของสมาสมาสัม า, าสัมมันตัสสัมมาชีวะที่เราพูดไป ก็เรียกว่าได้พูดถึงอยู่พอประมาณสมควรอยู่เราจะได้พูดถึงเรื่องมิตรเรื่องเพื่อนต่างๆในโอกาสต่อไปเราก็ได้ตอบคําถามของท่านผู้ฟังบ้างทีนี้ว่าอย่างที่พูดไปแล้วในตอนต้นว่าในเปิดทําที่ถูกปิดภาคออนไลน์เนี่ยเราต้องการให้สื่อผู้ฟังเนี่ยเรียกว่าเป็นปริญญาโทปริญญาเอกล้เพราะฉะนั้นถ้าาท่านผู้ฟังมีความเห็นข้อเสนอแนะคําถามเอาเด็ดๆเอาเจ๋งๆ นะเอาพุทธวจนะมาถามเนี่ยให้ใส่เข้ามาที่ p ิเอลธรร m ะคอมครับแล้เราก็จะมาเราก็จะระบุให้เลยถึงหมวดไหนทําไหนที่เกี่ยวข้องกันอย่างนี้ทั้งอรรมาทั้งหมอรัตพง์เนี่ยก็จะทําการบ้านมาเพื่อที่จะเปิดทางตรงนี้กันครับไปทําทีปป่ถูกปิดอัปไหลครับเพราะฉะนั้นก็ในเอพิซอดต่อไปคือเอพิซอดที่6นะเราก็จะมาต่อเรื่องของมรรคในองค์ต่อๆไป สัมราสติแลวก็สัมราสมาธิที่ยังเหลืออยู่ค่ะแล้วสมาวายามะเป็นองคด้วยอ่าสมาวายามะด้วยแล้วก็ะจะได้ตอบคำถามถ้ามีคำถามที่มาทางเว็บไซต์เพียรธรรม .com ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่าสม ok ควรแก่เวลาแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะเปิดไรเปิดธํา ท, ที่ถูกปิดภาคออนไลน์ครับครับกบนกันแล้วกกบสวัสดีท่านทุกท่าครับท่น